สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่525เรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่30พี่น้องครับพระธรรมฮีบรูนั้นจริงๆแล้วถ้าเรามองเป็นภาพรวมนะครับหรือที่เรียกว่า bird eye view นะครับหมายความว่านกที่กำลังบินอยู่ถึงสูงครับมองลงมาจะเห็นเมืองทั้งเมือง หรือแม้กระทั่งดาวเทียมที่อยู่บนอากาศนะครับถ่ายภาพออกมาจะเห็นโลกทั้งใบถ้าเรามองพระธรรมฮีบรูแบบเบิร์ตไอวิลเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นเป็นมหาปุโรหิต ท, ที่ดีกว่าประการแรกครับสองพระเยซูทรงเป็นคนกลางแห่งพันทันยาที่ดีกว่าสามพระเยซูทรงปฏิบัติในวิสุทธิสารที่ดีกว่า ซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่เก้าซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของพระธรรมฮีบรูนะครับและประการที่สี่คือพระเยซูนั้นได้ทรงถวายเครื่องบูชาที่ดีกว่าประการสุดท้ายครับพระเยซูได้ทรงหยิบยื่นพระสัญญาต่างๆที่ดีกว่าเหนือกว่าทุกอย่างในอดีตและเป็นสิ่งที่ไร้ขอบเขตไร้ขีดจำกัดที่เรียกว่าอินฟินิตี้ดีกว่าขนาดไหนดีกว่าระดับอินฟินิตี้ทีเดียว นะครับในวันนี้เราจะเข้ามาถึงไฮไลท์และผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่าไฮไลท์ของฮีบรูนั้นอยู่ในบทที่9ครับและในวันนี้เราเริ่มต้นที่นายวัน11ก็คือฮีบรูบทที่9ข้อ11ฮีบรูบทที่9ข้อ11นะครับเราจะอ่านไปจนจนถึงข้อที่15โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าฮีบรูบทที่9ข้อ11เรีเรยกว่าฮีบรูไน11แต่เมื่อพระคริส ได้เสด็จมาเป็นมหาปโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งมาถึงแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปสู่เต็นอันใหญ่ยิ่งกว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้สร้างด้วยมือคือไม่ใช่เต็นแห่งโลกนี้พระองค์เสด็จเข้าไปในวิสุทธิสถานเพียงทั้งเดียวเท่านั้นและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแทะและเลือดลูกอัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปและทรงสําเร็จการไถ่าบาปนิรันดรเพราะว่า ถ้าเลือดแพะและเลือดหัวตัวผู้และเท้าของลูกโคตัวเมียที่ประพรมลงบนคนบาปสามารถชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์ได้พระโลหิตขององค์พระเยซูคริสผู้ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นิรัน์ให้เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากกรรมิก็จะทรงชำระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดเพื่อให้จิตใจ ของคนที่หมกมุ่นในการประพฤติที่นําสู่ความตายหันไปรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อให้คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกมาได้รับบารดกนิรันต์ตามพระสัญญาและการเพรีชีวิตนั้นไถ่คนให้พ้นจากบาปอันเกิดใต้พันธญาเดิมแล้วอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องครับเมื่อเราอ่านถึงพระกัมภีร์ตอนนี้ และเราเข้าใจบทบาทของปุโรหิตในพัน ธ, ธสัญญาเดิมเราก็จะเข้าใจว่าพระเยซูคริตนั้นพระองค์เป็นปุโรหิตที่เรียกว่ามหาปุโรหิตไม่มีปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่มากไปกว่า น, นี้แล้วแต่ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นไรขีดจากัดไรขอบเขตเป็นอินฟินิตี้อย่างที่ผมได้เรียนมาแล้วเพครับเราจะมาดูกันครับว่าทำไมระเยซูถึงเป็นปุโรหิตแห่งสิ่งที่ประเสริ น้อง ค, ครับนายวันวันของฮิบรูบทที่เก้าได้กล่าวถึงบทสรุปในข้อเสนอประจำบทนี้บทนี้จะนำเสนอความเหนือกว่าของโปรนิการปฏิบัติรับใช้ของพระเยซูในฐานะเป็นมหาปุโรหิตเปรียบเทียบกับของเก่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับเพราะว่าของเก่านั้นมีความจำกัดแต่พระเยซูไม่มีความจำกัดและในขณะที่การปฏิบัติในฐานะปุโรหิตใหญ่ ของพระคลิปนั้นเป็นของพับปลาอันใหญ่ยิ่งกว่าและสมบูรณ์ยิ่งกว่าแต่ก่อนพับปลานั้นเป็นพับปลาขององค์พระบุญเจ้าพระเยซูคริสต์ครับและพับปลานี้ไม่ได้สร้างด้วยมือเป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติและไม่ได้เป็นของโลกนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นของสวรรค์ครับเป็นของที่มาจากเบื้องบนพี่น้องครับโมเสสถูกพระเจ้าบัญชาให้สร้างพับปลา เพื่อที่จะเป็นแบบครับหรือเป็นเงาครับในภาษาอังกฤ ษ, า ษ, าษาเรียกว่า type T y T e, type ก็คือว่าเป็นเงาที่ใช้ไปว่าสิ่งที่อยู่บนสวรรค์นั้นอยู่ภายใต้หลักการนี้หลักการนี้คือหลักการของการต้องใช้ชีวิตแลกมาซึ่งชีวิตในทบพลานั้นมีการถวายบูชาครับมีการฆ่าลูกแพะลูกอูวตัวผู้เพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะชําระหมายความว่าชีวิต หนึ่งต้องเสียไปเพื่อที่จะได้ชีวิตอีกชีวิตหนึ่งกลับคืนมานี่คือระบบการถวายบูชาซึ่งกำหนดโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับอิสราเอลพี่น้องครับอิสราเอลนั้นก็ย่อมรู้ดีครับว่าการที่พวกเขาจะได้รับชีวิตคืนมาหมายความว่าพวกเขาจะไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าด้วยความตายเพราะว่าค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตายครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ผู้ใดที่ทาบาปต้องตาย แต่มีระบบการถวายบูชาซึ่งเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้เป็นแบบอย่างเพื่อใช้ถึงพระเยซูครับก็คือพวกเขาก่อนหน้านั้นจะต้องนำแกะแพะหรือเครื่องถวายบูชาคือวัวตัวผู้เพื่อที่จะฆ่าให้ชีวิตที่ตายไปนั้นนะครับชดใช้ทดแทนหรือไถไถให้ คนครับเอาชีวิตของสัตว์มาไถ่ชีวิตของคนนี่คือระบบการถวายบูชาแต่การถวายบูชาที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือว่าเอาชีวิตของพระเยซูมาไถ่ชีวิตของพวกเรานี่นะครับคือการตายแทนกันพห็นไหครับนี่คือระบบการถวายบูชาในายวันนของฮีบรูบทที่9ข้อที่11และตรงนี้บอกว่า9อีกในหนึ่งก็คือพระวิหารของพระเยซู ไม่ได้ตั้งอยู่บนที่พบโลกนี้แต่อยู่ในสวรรค์จึงเหนือกว่ามากนักความเหนือกว่าแบบไร้ที่สิ้นสุดของการปฏิบัติของพระเยซูองค์พระวิญญาณเจ้าของเรานั้นถูกกล่าวเพิ่มเติมในข้อ12ครับว่าพระเยซูทรงเป็นทั้งมหาปูริตในขณะเดียวกันก็ทรงเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป้วยพี่น้องครับตรงนี้พี่น้องเราจะต้องจดจานะครับไม่เพียงแต่พระเยซูเป็นมหาปูริตที่ยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขตจํากัดไร้ที่สิ้นสุดอินฟินิตี้ ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงเป็นเครื่องบูชาไถ่าบาปแบบไร้ที่สุสดไร้ข อ, อบเขตอินฟินิตี้เช่นเดียวกันเพราะอะไรครับที่บุบวะที่9ข้อ12ได้ให้คําตอบว่าเพราะว่าพระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและพระองค์ไม่ได้นําเลือดแทะและเลือดลูกอัวเข้าไปแต่ทรงนําพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปครับและสําเร็จการไถ่าบาปชั่วนิรันี่น้องครับอาเมนฮาเลลูยา เพราะอะไรครับเพราะว่าพระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดหรืออภิชุดที่สถานก็คือห้องชั้นในที่สุดนะครับที่มหาปรหิตทั้งฝ่ายโลกเนี่ยเข้าไปได้ปีละครั้งเท่านั้นพระเยซูเข้าไปครั้งเดียวครับพระเยซูไม่ต้องเข้าไปทุกปีพระเยซูเข้าไปครั้งเดียวก็คือการสิ้นประชนของพระองค์บนไม้กางเขนและพระองค์ไม่ได้นําเลือดแพ้ลือดแก่เข้าไปแต่ทรงนําพระหิตของพระองค์เองเข้าไปนี่นะครับคือความเหนือกว่าแบบไร้ที่สิ้นสุดของการปฏิบัติของพระเยซู ในฐานะเป็นมหาปรุรหิตและในการรีกันเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนะครับเราจะเห็นนะครับว่าปรุรหิตในสมัยพมพีเดิมถวายได้แต่เลือดของสัตว์แต่พระเยซูถวายพระโลหิตอันเลิอดประเสริฐและทรงฤทธานุภาพอันปราศจากบาปของพระองค์นะครับให้กับพวกเรามหาปรุรหิตในสมัยพมพีเดิมเข้าไปในที่บริสุทธิ์ทุกปีพร้อมเลือดสัตว์แต่พระเยซูเข้าไปครั้งเดียวเท่านั้น ในที่ที่บริสุทธิ์ในสวรรค์คือเลือดที่ใช้ในวันลบมนทินบาปในสมัยพ่อพระพีเดิมมีฤทธิ์เพียงปีเดียวแต่พระเยซูมีฤทธิ์ตลอดกาลครับพระโลหิตที่พระเยซูได้ทรงถวายโดยใช้ชีวิตของพระองค์เองใช้ได้ตลอดกาลเลือดที่ถูกถวายในสมัยพ่อพระพีเดิมใช้ได้แค่ปกปิดความบาปเท่านั้นแต่พระเยซูคริสทรงชําระค่าไถ ด, ด้วยพระโลหิตอันปราศจากบาปของพระองค์และทรงชําระล้างความบาป ให้หมดชิ้นไปนี่คือฤทธิ์พระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์ครับพี่น้องครับเวลาที่เราร้องเพลงที่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์พระโลหิตพี่น้องครับอย่าลืมเพิ่มผีขอ้อนี้ฮีบรูนายวันวันีบูบทที่สิบเก้าถึบสามครับผู้เขียนพยายามขี้แจงให้เห็นถึงความเหนือกว่าของพระโลหิตของพระเยซูว่าถ้าเลือดวัวตัวผู้และเลือดแกะและเท่าของลูกโคตัวเมียที่ประพรมลงบนคนบาปสามารถชำระเนื้อหนังให้บริสุทธิ์ได้ฉันใด ยิ่งกว่านั้นพระโลหิตของพระเยซูโดยพระวิญญาณ น, นิรันด์ครับพี่น้องพระโลหิตของพระเยซูโดยพระวิญญาณ น, นิรันด์ก็ได้ทรงถวายพระองค์เองแต่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาอันปราดจกดําหนิและได้ทรงชาระใจวินิจฉัยผิดชอบของท่านทั้งหลายให้พ้นจากการประพฤติ ท, ที่ตายแล้วฉันนั้นเพื่อจะได้ปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ครับพี่น้องพี่น้องครับเรามาถึงบทสรุปในเช้าวันนี้ก็คือว่าวัวตัวผู้และแพะ ที่ถูกพูดถึงนี้ก็คือสัตว์ที่ถูกใช้เป็นเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไทยบาปที่กําหนดไว้ในพระธรรมเลวิติและกันด้วิถีนะครับการได้นนวิถีบทที่สิบเก้าพูดชัดกลับว่าเท่าของลูกโคตัวเมียหมายถึงพิธีชําระล้างด้วยลูกโคตัวเมียสีแดงตามที่บรรยายไว้หากเลือดของสัตว์ทุ่งเหล่านี้มีฤทธิ์ที่จะชาระเนื้อหนังให้บริสุทธิ์ได้พระยาศึกษโดยทวงงานบริสุทธิ์ผู้ทรงอยู่เปน็นนิรันด์นั้นก็ จะชำระใจวินิจฉัยผิดชอบของเราให้พ้นจากการประพฤติที่ตายแล้วเพื่อเลยครับเพื่อชีวิตของพวกเราทั้งหลายเพื่อพี่น้องเพื่อผมนั้นจะได้ปวณฏิบัติพระเจ้าพี่น้องครับการที่พระเยซูนั้นได้ทรงชี้ไปชวนเพื่อเราและมีเรามีความศรัทธาไว้วางใจในพระเยซูและโอกาสที่เราได้ก็คือการคืนดีที่มาจากพระเจ้าการคืนดีที่เป็นพระคุณของพระองค์และเรากลายเป็นลูกของพระองค์เรากลายเป็นคนที่บังเกิดใหม่และนิสัยของเราก็คือ เราจะต้องตอบสนองด้วยอุปนิสัยที่ปรารถนาจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าตอบสนองต่อพระคุณความรักของพระองค์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อยากจะให้เกิดในชีวิตของผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระโอษณะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปลายเหตุที่สําคัญหรือเป้าหมายของการสิ้นพชนและการตอบสนองที่เราควรจะทาก็คือปฏิบัติรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ครับด้วยเหตุที่อะไรครับ กำนึกในบุญคุณในพระคุณความรักของพระเยซูที่ได้สิ้นประชนเพื่อเราบนไม้กางเขนทำให้เราเกิดการคืนดีกันทำให้เกิดการยกโทษบาปและที่สำคัญที่สุดคือคือว่าทำให้เราไม่ต้องตายนิรันด์ครับในทางกลับกันเราได้ชีวิตนิรันด์อาเมน